คูู่้จักธรรมะนั่นก็มีความสบายดีสงบดีโดยมากคนเรามันเพินไปตามโลภโทสะโมหะจิตใจมันก็อยู่เป็นสุขใช่ไหมโดยหลการของพนเราทั้งหลายนั้น ไม่ค่อยฟังกรวิ่งชนแต่ว่าวัตถุไม่เจริญบ้านของเราเนะ่ะมุงยากมุงแสลังคาแต่ก็อยู่กันสบายอยู่กันสบายนอนกันสบายมีอขินไม่รุงรังนอนดับสนิท ตลอดทั้งชื่อเสียงของคนเราก็เดื้อจำง่ายสมัยก่อนสั้นงคอนไดยังมีหาชื่ออย่างดีเพื่ออยากสร้างความดีที่ความเยริญทุกอย่างบ้านก็สร้างให้ดีดีขึ้นเพื่ออยากจะอยู่สบายแต่ไม่รู้จัดทำใจของเราให้สบาย นอนเบานอนผูกไม่หลับคิดหลายอย่างทีปาฐะที่เราจะต้องคิดไปเพราะว่าความทะเยทยานมากจนเป็นเหตุให่เป็นโลกประสาเมากที่สุดในเวลานี้เพราะว่าเราพากันคิดให้มันโลกผลนเกินไป มันผ่านธรรมะเรียกว่าสันติจตกระทาความยินดีในของที่มีอยู่นี่เป็นคาถาของเสือผีเยะมหาเศือผีความยินดีในของที่มีอยู่นั่นคืออะไรไม่ใช่ว่ามีมีแก่ใบนี้มีกระโถนใบนี้แล้วพอแต่ว่า การพุทธิจักรฐานนั้นท่านไม่พอในปัจจุบันในเวลานี้มีเสียงเท่านี้ก็เอาเท่านี้ก่อนวันนี้ทุกวันหาเงินในวันนี้ห้าร้อยหกร้อยเป็นประจํามาถึงวันนี้หาเงินในเพียงร้อเดียวท่านก็ให้ยินดีเสียก่อนวันนี้นนเพราะในเช้นี้ก็เอาแล้วพรุ่งนี้ก็หาใหม่ คงนี้เลยสองร้อยไปยืนยืนสองร้อยตะลนี้เลห้าสิบบาทไปยืนยืห้าสิบาทไปเสก่อนในป่จจุจวน น, นี้อันนี้ทวามจิตใจของเราเป็นเต็ให้ไปจากประมาณในความเป็นอยู่ของเจ้าของจะไหมโบราณการอะไรท่างยนั้นวัตถุม่เจริญแต่จิตใจคนเราเจริญ หยุดใจสบายไปที่ไหนนองกันเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งนั้นจะไปบ้านไหนเป็นเพื่นอนต่อขึ้นนอนบ้านสบายเชินขึ้นนอนบ้านสบายกินอยู่สบายทุกวันนี้คนไม่ไหวใจคนนะผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามไม่ไหวใจอื ไหว้ใจกัน่ยากเหลือเกินเพราะอะไรมันขาดธรรมะคือความซื่อสัตย์คุณสมบัติมนุษย์มันหายไปแล้วมันเสวยสมบัติของสัตรูสมบัติของสัตรูทหารสมบัติอะไรต่างๆมันได้เสวยอยู่อย่างงี้สมบัติมนุษย์นั่นมันไม่มีควารซื่อสัตยจุดประจิตนั่นมันไม่มีอะไรใครในทุกไหนก็เป็นอย่างนั้น อ้อย่างนั้นความไม่ไว้ใจกันในทุกวันนี้แนมะ้แต่ครอบครัวไม่ว่าจะคนดีด้วยไอ้ครอบครัวที่อยู่ด้วยกันนี้ก็ไม่ไว้ใจกันแล้วนะต่างระวงังระวังเสมอมีเ้าาราะอะไรงั้นขาดความซื่สัตย์ขาดธรรมะฉันตุดีเจริญ า, าความดีในของที่มีอยู่นั้นน้อยหรือไม่ม ตนน้นบรากตอนนั้นถ้าเป็นพ่อเป็นลูกกันมันก็เคารพกันมากที่สุดไม่มีต่อหน้าหลับหลังเขายังเป็นพ่อเป็นลูกกันอ ย, อย่างนั้นตอนน้อยนี่ถึงมีครอบครัวแล้ก็ยังระวังระวงถึงออกจากบ้านไปทั้งคนที่อยู่บ้านทั้งคนที่ออกไปก็ไม่ครไว้ใจกันใช่ไห ส่วนนี้แค อ, อะลรนะขาดธรรมะอืเกิดความไม่ใจกันความยุ่งเหยิงเกิดขึ้นมาถึงเรามีบ้านสวยใจก็ไม่สบายมีเงินทองมากมายใจก็ไม่สบายนอนปลุเงิ น, นเบาะก็ไม่สบายใจเพราะเรื่องไม่สบายมันไม่อยู่ที่บ้านไม่อยู่ที่เสียหาสถานไม่อยู่ที่อาคาร ความสบายความไม่สบายนั้นมันอยู่ในจิตใจของเรานี่สุดถ้าพวกเราทาหลายขาดคุณธรรมจะแล้วอือมันก็เกิดโทษขึ้นมาในจิตใจเราเองเป็นไฟทุกอย่างนั่ะเป็นราภเป็นโทส ะ, เ ป, ทะเป็นโมหะเขาใจของจะาองอยู่นี่เรียกว่ามันจึ็นขาดในที่เป็นคนจนเจนอะรเรเจนความสนุกเจนความสบาย จนความสุขถ้าเราประคาตจากธรรมะจะยืนจะเดนินจะนั่งจะนอนก็คิดคิดแต่อะไรคิดเต่สิ่งที่มันจะให้ทุกข์ในใจของเราอันนี้เราไปยังไม่ได้ น, นั้นเราก็ยังไม่พออะไรสั่งๆแลหลายอย่างคิต่เรื่องทงี่มันเป็นทุกข์ในใจใจทุกวันนี้เป็นผู้รับภาระมากที่สุด ตาหูจมูกริมตายรับอารมณ์มาแล้วเรามาชิ้นหายใจใจเป็นผู้ติดแก้ปัญหาอ mm hmm. เรื่องราวต่างๆเต้นทีเรือเๆเพราะนั้นมนุษย์ในปัจจุบันนี้ชินใจเป็นทุกข์ข้อแก้ปัญหา mm hmm. บางสิ่งแก้ปัญหาได้บางสิ่งแก้ไม่ได้นอนจมอยู่นั่นเป็นทุกข์มากเหลือเกินเพราะนั้นพากเราทั้งหลายนั้น เมื่อห่างจากธรรมะไปเท่าไรมันจะห่างจากความสุขไปเท่านั้นห่างจากความสงบไปเท่านั้นเมื่อห่างใปที่สุดแล้วกมีแต่ทุกข์กุ่มอยู่เปนลาพระเป็นโทสะเป็นโมหะเข่าฝานอยู่ตลอดเวลาทั้งคนจนทั้งคนรวยก็มีทุกขมีแต่ ท, ทุกข์อย่งนั้นเพราะความไม่พอเป็นเหตุเพราะขาดธรรมะเป็นเหตุเพราะขาดสันนิน ี่ทธคกณเจาคือความยินดีในของที่มีอยู่นี้เป็นส่วนมากบางแห่งเคยมีเัมือ น, นตอนมาเป็นคนจนอยากจะร่ำจะรวยขึ้นมากอพยายามเขามหาพระก็ให้เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ขยันเป็นผู้มั่นเพียรทุกอยา่างจะทำไปทำไปทำไปเรินนดการร่ำรวยขึ้นมาอีก ยก็ลงเงินก็มากลาบก็บมากยศก็มากอะไรก็มากขึ้นมากขึ้นมาดืนตัวอืมืนดืนตัวอืคุณ้ร อ, อบครัวเราเนาะอืมืนตัวทั้งครอบครัว้หญิงมุยายมันก็เคลืนในามะคุณอห้ในรูปตัดีในเสียงตัดีขึ้นตัดีรถตัดีเพราะว่ามีเงินเนีน่มันมีอำ น, นาจทุกอย่าง เอามือขี้เอาอันใดมันก็ได้ทั้งนั้นเนี่นี่เป็นเหตุคือความสุขกอดีนตัวถ้ารวยแล้วมีความสุขเด็กอดีนตัวเมื่อดีนตัวก็มาอยู่ในโอวาทของใครเมียมาอยู่ในโอวาทของสามีสามีมาอยู่ในอำนาจเขานีต่างคนไปต่างหนาะความสุขไปแล้วนี่ก่อทุกข์ขึ้นมาอีกแท้จับจอมบาตรที่หาไม่ได้มากสุดที่สุด ออืนั่นคือหายไปเพราะอันนี้เองอารมณ์ขันธ์ของครอบครัวไม่ถูกกันแม้มันก็ไม่มีอะไรเป็นสุขแม้จะอยู่ประชาประสาททางเกียรติชั้นเป็นต้นก็ไม่สบายถ้าครอบครัวคนในใจของเราไม่มคงเสียกันเป็นต้นอันนี้ไม่มีสุขฉะนั้นความสุขอันนี้ถ้าคนไม่รู้จักเมื่อมันมีมาแล้วก็เป็นห่วงถึงสุดห้าย เป็นทีน่มีโทษมากลําบากมากแต่ารเป็นจริงนี้ความสุขนี้นะเป็นของดีที่สุดคือมนุษย์ทางไหายอดาการทนาของความสุขเกิดมาได้ความสุขมาแล้วก็ดื่มตัวดื่มดื่มบ่านดื่มเมืองดื่มตัวดื่มตัวดื่มทุมมกสิ่งสารพัดจนจนก็ถึงอันตรธานไป อ, อย่างนี้ก็มีข้อความใหมกันโดดยินดีในของที่มีอยู่นันเอง ก็นั่นพาวพุทธเจ้าของแดนพันธสนัญ่าคนขาดธรรมะต่อคือคนขาดที่สึ่งขาที่อาศัยของคนขาดธรรมะธรรมะนั่นมันคืออะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างขี้ในมีธรรมะืี้ในเป็นธรรมะมันนี้นั่นมีแต่ธรรมะทั้นั้นแง่ประกางของภายนอกพอดีของภายในพอดีมันก็เรื่องจะเป็นธรรมะ ธรรมะนี้คือสภาวะที่ถูกต้องอย่างต้นไมู้เขาเชาวันข้างนอกมันจะเป็นธรรมะอยู่อย่างนั้นมนุษย์เราทำงานเกิดมามันจะเป็นอย่างไรความสุขมันก็เป็นธรรมะการทุกข์มันก็เป็นธรรมะ ก, มกรรมารได้มาก็เป็นธรรมะการมันเสียไปมันก็เป็นธรรมะถ้าเราดูจากธรรมะข้างนอก มารู้จักสรรมข้างในใจยินดีในสิ่งที่นันมีอยู่เป็นอยู่นั่นเองถ้าคนไม่ยินดีเป็นเต้นมันก็เป็นพาดของกิรสมันเป็นพาดของสัญหาหาที่ซึงที่อาศัยไม่ได้ไอ้ความคิดของคนในปัจจุบันนี้กับโบราณการมานั่นมันต่างกัน เพราะอาจจะแย่งแวดล้อมทั้งหลายเป็นตนหลักของธรรมะอันนี้เป็นหลักที่ยังยืนเป็นหลักที่แน่อนอนถ้าคนเรามาปพปฏิบัติแล้วถ้าไรามีธรรมะมันจะไม่มีสิ่งิ<ๆ>ึ่งเรื่องของในโลกนี่ก็เป็นธรรมดาในโลกมันจะเป็นธรรมือยู่อย่างนั้น<ๆ>และการทารุปคาระทุกวันนี้ก็นับวันน้อยลงไปน้อย พ่อแม่กับลูกจะมีความคาระวะกันอย่างดีเหมือนสม่ก่อนก็ไม่มีชาวมีพันธยาจะมีความคารวกันแน่นแฟ้นอย่างเช่นสมัยโบร า, า, รารณนักบานที่มีธรรมะนั้นก็หายากฉะนั้นขีนธรรมทั้งหลายทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันเชื่อมจากจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายมเมื่อจิตใจของเราเชื่อมจากธรรมะ ธรรมะไม่มีในจิตใจของมนุษย์แล้วไปที่ไหนก็มองกันไม่ได้แต่หนอยโบราณศาสตร์เรานั้นไปที่ไหนถ้มองหน้านกันจะสบายใจสบายยืม เ, ย, เยื้อเตีนไสนึกว่าเขาสนใจในคุณงามความดีของเราเลยสบายลูกมองหน้าพ่อแม่สบายพ่อแม่มองหน้าลูกสบายเพื่อนมนุษย์บ้านโในการมองหน้ามองตาขณะแสดงความยืมเยื้อนตียนไสว่าความสบายใจนี้ นี่นี่เป็นแป้นชาคนมีธรรมะมีคุณสมบัติของมนุษย์ที่เป็นอยู่ประจําใจแล้วมันก็หยาบเยินสมัยนี้แทบจะมองหน้ากันไม่ได้เดินไปมองหน้ามองตายกันไปมองเนี่ยสมัยก่อนมันสมัยก่อนไม่ได้ใช่าหมเดี๋ยวมันคิดไปในทางอื่นมากยึดไม่มีธรรมะไม่ว่าใจกันแน่มนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ เพราะธรรมะไม่ความไม่ได้ใจกั น, น, นนะเกิดขึ้นเป็นตินนะแค่นี้เองความเข้า ใ, ใจจิตจะเกิดขึ้นมาใช่ไหมจะไปมองหน้ากันในรถในเรือในถนนทุนทางเนี่ยดเรื่องท่วันมีเรื่องทุกอย่ อ, อเรื่องให้เกิดขึ้นมาเลยทีเดียวเพราะอะไรเดยนี้มันมองหน้ากันไม่ได้แล้วเราทำร้ายแต่ถ้าจะสุนัข ก็ได้ถ้ามันเห็นตันแดีวมันเอากันเพียวอืมอมันัดเพียวกับกันเลยทีเดียวมันไม่ไว้ใจกันอือทุกวันนี้ก็มันตันฉันน้อยที่สุดไม่ไว้ใจกันเนี่ยตอนกลงคืนมาทีเขเดินมากลางคืนขอนอนบ้านหนีไว้ใจไหมทุกวันนี้ไม่ไว้แ้นะอือดี๋ยประตูปังๆสมัยก่อนเสียมาเลยอืออ่า ต่นับตาสายกันไปจากไหนมาเจอไหนย่งนอนว่า น, นอนท่องกันไหนสบายตะวันนี้ไม่ได้เนาะนี่ทําไมเพาะอะไรเพราะมันขาดจากธรรมะเมืม่อขาจากธรรมะอย่างเดียวเท่านัา้นเน่ะมันวุ่นวายสุดทุกอย่างในวัใจกัลางนั้นเพราะนั่นสมัยปัจจุบนันนี้อืถ้าหาวาเรามาประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมานั่นธรรมานั้นยังเป็นของในสมัยอยู่ ไม่ได้กันไมทุกวันนี้ยังทำดีกอดีอยู่ทำชั่วมันก็ชั่วอยู่ทำบาปมันก็เป็นบาปอยู่ทำบุญก็เป็นบุญอยู่อย่างเก่านั่นเองไม่ได้นอกเหนือไปที่ไหนมั่นธรรมะยังคงที่คนยิ่งมีจากธรรมะธรรมะยังยืนตัวอยู่อฉะนั้นทุกวันนี้ให้มนุษย์ทางไหนมาฟังธรรมะมาฟังธรรมะให้ติดจิตธรรมะให้เป็นธรรมะ นอกนี้จะดีกวนี้ใน่มีแล้วโทกับสังดาเมื่อเราสร้างความดีขึ้นมาในจิตใจของเราทุกคนแล้วมันจะเลยมีความดีเกิดขึ้นมาถ้าเรื่จากความดีเช่นนี้จากความดีเกิดขึ้นมาในโรคของเรานี้แหละเพื่อนๆมันก็หมดในความไม่ดีหมดโทษหมดทุกข์ทั้งหลายแต่ถ้าวันนี้มันพูดกันยากมันพูดกันยากมันพูดกันลำบาสตวันนี้ อก็เลย ว, ว่ามันเป็นใจ ต, ตามสมัยของมันอย่างนี้แต่ครูกับนักเรียนก็เหมือนกันจะไม่สอนเห็นกันโอ้ตัวหรือขลรกครูฝ่ uk, าอาจารย์เท่าไหร่จะมายถึงนักเรียนกับครูมันมีตั ว, วนะมันสำคัญมันใจว่าครูก็เป็นคนเหมือนกันครูก็เป็นคนสอนเรานักฐบาลของเจ้างมัเ น, เ, ม เ, ปนมเป็นเจ้าของเรามีตัวแล้วเป็นเกิง มันมีจิตภาพเสมอกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นการเค า, ารพอย่างนี้มันการคารวะเคารพอย่างนี้มันขาดไปในใจของคนทุกคนอย่างนี้อืมมันก็เทีอมเท่านั้นเนี่ยพ่อแม่กับลูกตักวันนี้สมันกันแ่อ น, น, นพ่อแม่มีอำนาจบอกลูกลูกหลานต้องอยู่ใต้ความปกครองถ้าเป็นคนคนแต่อย่างโยเมเนี่ยในบ้านนั่นในตำบล น, นั่นะ จะว่าให้ดูหลานคนในก็ได้เรายีว่าไม่จะได้ได้ไม่ได้ทำไมทุกวันมีความรู้คนมันมีความฉลาดแต่คนฉลาดมันโง่คนฉลาดมันโ ง, นมนง่มันก็ยิ่งเป็นทิดกว่าคนโง่มันโง่ไปอีกสมัยก่อนนั้นเป็นคนไม่ฉลาดอสมัยก่อนเป็นคนไม่ฉลาด แต่เป็นค น, นโง่ไม่รียนเบียงไทยที่สับสดผลิตของไทยของมันรู้จักทุกวันนี้มันอะอย่างนั้นจะก่อนไม่ข้าว pairwise น, นี้มันข้าว p ายกัน s e ฉะนั้นการทะเลาะทะาอย่างนี้ผ่าดไปในโลกโลกนีก้ผลามจิตใจมนุษย์ทั้งหลายกผลามโทรมลงไปคุณนสมบัติของมนุษย์มันก็ไม่มี ะนั้นการประกอบปฏิบัติธรรมานี้ยังมีอยู่ยังมีอยู่แต่ก็ยังมีเป็นกลุ่มเป็กลุ่มไม่น้อยถึงวันนี้มันจะหมดไปอืมเหมือนทางชายุโรปเขาน่ะยี่เขาไม่มีธรรมะอะไรจนความแบบดดอนมันกระวนกระวายจนจนมันดู้ธรรมชาติผู้มันอีดังนั้มก็หันกลับมาหาทางปฏิบัติให้ใจมันเนสุขให้ใจมันสงบอืมน ธรรมชาติแบบนั้นโครงกายท่างหนานี่กรรมกานั่นเนี่ยเป็ น, ป น, นตัวมันลืนตัวลื่นตนยา ก, กันหมดไม่ดีจากคารพบูบาอาจารย์ไม่ดีจากคารพพ่อแม่ถ้าคนไม่คารพบกันแล้วมันหมดจิตแล้นะขาดจากกันแล้วจัรย า, านายีไม่คารบ ก, กันแล้วอุลุมกติไม่ถู ก, กันแล้วก็แยกทางกันจ่าย น, นายกรกะดษดอนควาเห็น่ถูกต้องกันแล้ว มันก็แยกทางกันบ้านเมืองแล้วก็วุ่นวายขึ้นมาแค่นั้นเองทั้งหลายรายนี่เพราะอะไรมันขาดธรรมะขาดการปฏิบัติเพราะอาศัยความโลภอาใัยความโกรธอาศัยความหลงนั่นแหละมันเป็นเหตุท่คนเราห่างเหินจากเป็นแบบพุทธศาสนาอยู่เมืองไทยถึงวันนี้ก็ไปทำธรรมกันออกไปว่ากันในเวลาไปทําไมอะไรกันจะมีธรรมะในใจของเรา ถึงอยากจะการกระทาบุญันนี้มองมองดูสิง า, ง, งานกองบวชปอดีนะงานกฐินปอดีงานบุญอะไรต่างๆเหล่เนี้ไปมองมองดูเขาทําบุญกันทำไม น, นี้อืทําบุญกันเพื่อ ย, ยุยงส่งเสริมปรดียชน์ให้โ้นมาเท่านั้ น, นถ้าจะมาไปมองมองดูแล้วว่ามันทําเพื่อความสนุกกันแต่มองเขายู่ข้างในอิธีนะมันเป็นการกระทําบาปกัน แต่ <SCP> <S uk Jamie> อาบุญมาปุกเปลียนใไหมให้บาปนมันหายไปที่วะบุญประมวลกันแต่คนคนนึงเกิดนมาชื่อว่านายบุญแต่ว่าทแต่บาป้าเียช่นายบุญนายบุญแต่ว่านายบุญนั้นไม่เคยูจังบุญสร้างตัวคเื่อตัวเขาเียว่านายบุญนายบุญสร้างะทั่บุญตัวนี้ก็มันกันงนั้น ทำบาปแท็กเทไรปตาม เ, เกิดก็เรีกกระบุญเพราะอาบุญมันเป็เรือนทำบุญเทไรจนต้นยิ่งทำจนต่ำลงไปให้ถอยลงไปให้น้อยลงไปแต่รเราเป็นบรรณบุญใจบาปไปฉะนั้นทั้งพุทธวิศาสทร์ทางไหก็ชอบจะเปลนอย่างนั้นอันนี้ข้อขาดอะไรอืมเข้อขาดการปฏิบัติอย่างแท้จริงพาวุกายิตาตามชาวบ้านของเราลง ใคจะมีศีลห้าศีลแปดนี้มันจะมีสี่คนในสมัยนี้นอกจากคนคนโบราณโบราณยังเหลืออยู่บ้านเน้าคนสิบคนจะสวนใจนับ ใ, ในปัจจุบันนี้น้อยที่สุดจะจะมีศีลอยู่ทำนี้จะสนใจในสิ่งทั้งหลายเรื่องกังทำกันไปก็อคามไปไหว้วัดทำบุญก่อทากันไปทำไปอย่างในบุญทำอะไรแต่ทาบาปดูดีว่านายบุญ มันจะเป็นบุญอยู่อย่างนั้นเนี่แต่ว่าอืบุญของไงบุญแต่ว่าการกระทํามันผิดมันเป็นบาป ท, ทีนี้เมื่อเราทำในถูกความเห็นเราก็ในถูกต้องเมื่อความเห็นในถูกต้องเพียงส่วนเปลี่นไปอันนี้จะมาใส่ตักเตือนหลายแห่นนงในการกระทาบุญชินชินทานนี่มันเสียเข่าเสียของนะเรานั้นๆทําบุญทีหนึ่งนะบางทีทําบุญ จ, จะสู้คนอยู่เฉยๆไม่ได้จะมี ถ้าเขาไม่ทำบาปนั้นเขาจะมีดีอยู่แล้วได้ทาบุญสาวันสคืนแต่บาปสาวันสาคืนนี่มันจะถูกเขาไม่ทาบุญอีู่ล้าอยู่เฉยๆอยู่ เ, เขาก็ไม่มีบาปนี่อันนี้ให้รู้จากบุญบุญนั้นมันจะความสนุกไม่จช่ความสนานถ้าทำแล้วเกิดความขัดนเกิดความจางฤทธิ์นที่นที่จะมาถึงเอื้ออันนี้จางสองครั้งหงนา่า เลดมานะพิถีลงไปให้ใจเข้าสู่ธรรมะถึงความสมบุกินกจิตมันเป็นบุญอือันนี้ทําบุญจังทำไม่สงถูกนี่ะือนั้นทําบุญใจคนเขาไม่เป็นบุญพอไม่ถอนทําบุญเพื่ออะไรถอนพิถีพลอยจากใจของเราแม้ทําบุญก็เพื่อจะเอาบุญเพราะนั้นการละบาปนั่นหนการละความจิตหนึ่งบุญไก็เกิดขึ้นได้บุคคลทําบุญในสมัยนี้ชอบทํำยังไงจ๊ะ กินเหล้ากินยาตันดุนอะไรต่างๆนานากอย่างอย่างนี้ถ้าฟังเพื่อตองเพื่่อเพื่อไปงะเพื่อไปเช้าเชาเรามากินกันแบบนี้บน ส, เสเะเพือไฟังเพือ่อแบจะง่วงเหงาเงนอนอยู่ลาพานถ้าเพื่อใจถ้าเพื่อจะลาพานใจจะตายไปแล้วนะดังนั้นอ่ะมีชีิดกันเมื่อเมื่อเราจะหยุดเนาะ เมไรจะหยุดเนาะนพานเนาะมา่หยุดเนาะไ่คิดว่าจะเอาความฉลาดในธรรมะนั่นไปปฏิบัตินำพานใจแต่นั้นเ้บางแห่งยังเคยมีว่าเอ้ยในพวกเราทั้งหลาให้ทางให้ทางส่นานาจารย์ท่านจะตอบวัดเธอแล้วราว่าได้พระไม่อ้อมีไม่รู้เรื่องอย่างนี้กนะ็มีนะ ที่นี้ในเวลาการทำบุญไม่ผูกบุญนะไม่หนุนผูกบุญกันใจคนมันจริงจิาตบมันขาดการประพฤติขาดการปฏิบัติอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้แย่โดยมากในปัจจุบันนี้ยุค น, นั้นคลอกเาวพฟุตเราทางไหนจริงไม่เข้าถึงธรรมะนอแม่สะเข้าถึงธรรมะเรื่ อ, องพุทธศาสนาแล้วนี่ก็หลุดไปเั่านั้นแนะม่ น, นการกระดาดทองทำใบหนี่งเอาซึ่งไว้เขาไม่สนใจกัน ถึงแมเนี่ยมันจะเป็นทองคาอยู่เป็นตนมันก็ไม่เกิดประโยชน์แก่คนธรรมะที่ทำท่านพูดไปนั้นเป็นความจริงเป็นความดีถ้าคนไม่เอาไปคิดปฏิบัติแม่เป็นต้นการทาพูดอันนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรอือาหารที่อริดอร่อยก็จริงถ้าบุคคลไม่เอาไปบริโภคเลยมันจะมีประโยชน์อมันสมุดความหมายอย่างนั้นการพูดการคำการสงฆ์เป็นเพียงเพียงของโปรดสรรทางนัยอย่างดี ถ้าเาเอาเป็นพื้นจริงๆแล้ว อ, อันนี้จะมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์อะไรมันมีสาระอะไรอย่างนี้คนทำบุญมาเห็นบุญคนทำบุญมาเห็นบุญอืมนี่มันจะมีอะไรดูดดีเข้าไปแล้วมันตกยจมัตถุกิ่งทุกอย่างอันนี้ใ ข, ขวดพชิงมโยมขวดพระเจ้าประสงค์ตัววั น, นอ่าพุทธบริษัตทต้องนำมาเทียมไปโดยทีย่อันนี้ จะปฏิบัติตามธรรมะการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขนอน ท, ท, ท่านหน้าที่ให้เราเป็นพระก็ไม่มีแคเนี้มันตั้งสองฝ่ายไอ้ผู้ปฏิษัททั้งหลายต่อยอย่างนั้นอนทีนี้ไอ้พวกรามันจรึงๆความเฉื่งอมความเฉื่งตามความเป็นจริงแล้วนั้นอนความจริงเนี่ยยันตั้งอยู่ใครจะปฏิบัติตามอันนี้ก็ยังยังไม่เฉื่อม ใครจะปฏิบัติตรรมไม่ปฏิบัติตรรมวันนี้ท่านความเมตต์ความดียังสร้างมันู่อย่างนั้นแค่นั้นมันเป็นเรื่องจิตใจของมนุษย์ฉะนั้นความสุขทั้งหลายนั้นไม่ดีวกว่ามันอยู่ที่จิตใจของมนุษย์าเา้งหลายรารมีเป็นเอิดผีม า, าเอิีทำใจใมไม่ถูกต้องตามธรรมะมาให้มีความสุขนมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตรงั้นสร้างด้านคนนั้นหนึ่งสวยแต่เราไม่มีความสุข แม้จะนอนอยู่ในว่า น, นั้นมันก็จะมีประโยชน์อะไรนะมีแต่ทุกข์ทางนั้นอันนั้นมันของภายนอกฉะ น, นั้นแตะพุทธเจ้าเราให้สนใจของภายในคือจิตใจของเจ้าของเองถ้าเรา ร, รู้จากโลกสักเมื่อไรเป็นต้น <Lös Among. S 1> มันก็สบายเมื่อนั้นถ้าเรามา ร, รู้จากโลกแค่ยอย่างเดียวอันนั้นเป็นส่วนบุญบายกันทางปฏิบัติทางบ้านเมืองทั้งครอบตัวทั้งตัวเองพอดีเป็นต้นถึงเงิอจะจนมันก็เป็นทุกข์ถึงเง่อจะแรวยมันก็ป <Beispiel> เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อย่าง น, นั้ น, น, นเองเนี่ย อือเพราะความคิดผินออันนี้สงวนปันปันนั่นนะตมาเห็นว่าอายุผ่านมีแล้วไม่เช่อโรกมาก็พอสมควรนะไ่เชื่อโรคพอสมควรเลยเชือธรรมะอาวุธศานาพอสมควรอือออย่างเช่นอนคือมาเยี่ยมวันนี้นะอตมาบอกถ้าอาจารย์พี่ถ่ายออกมาตั้งตัวให้มันให้มันสบาย เอาสมบัติของเราเ็้าไปไว้ในใจของเราจะดีในบุญวาย <c oughs> ชีวิตอินทรีย์ของเราเนี้ยนะในําสัญญากันเลยนะ อ, ะอยู่อี่วันอยู่ที่เดือนนี้ไม่รู้นะบางคนรู้แต่วัวนเกิดธรรมชาติแล้วับันเกิดก็ยังไม่รู้อีกบางคนเขาแเสียงรู้ทาไมถึงรู้เงี้ยบอกเนี้ย พ่ อ, อบอกเนี่ยพอเขาบอกมาบางทีจําจิดจะว่างไงในามเป็นจริงมีวันเกิดและคนไม่รู้วันตายคนไม่รู้เนี่ยทั้งสองข้างมบมดนี้ทั้งสองอย่างนี่แหละเมือนไหวใจเข้าด้วยเนะี่ยมีทางทิ่จะไหว้ใจเพราะนั้นธรรมาเห็นว่าควรควรสร้างจิตของเราให้รู้จักให้ฉลาดให้จิตเป็นคนทํางานถ้าคนทํางานไม่ฉลาดการ ง, งานไนั่ก็ะลึก อืถ้าคนทางานโง่เป็ น, นต้นการงานทั้งหลายก็ไม่ดีอืมดูสิคนเร า, นนาหนึ่งการหูหนึ่งจมูกหนึ่งดีนหนึ่งตายเข <c oughs> าหลับมาเฉยๆเขาก็มาชี้หายใจตรงนั้นนงถ้าไม่ทับลูถ้าไปผลมาชี้หายใจชี้หายใจชี้ไปหา ย, าย ใ, หใจเป็นคนทํางาน <c oughs> หายใจเป็นคนทํางานทําไมเราจะไม่ต้องฝุดใจใหายใจ ถ้าใจเราไม่าดนั่นก็แย่ขานาไนเขาไม่งานตเมีอยาเขาดูมาแล้วากระชินให้เราหงสฟังมาแล้วเากระนให้เราจมูกับมาแล้วกนให้เราตายเขาลับมาแล้วกระชินให้เร า, า, า, าแค่เร า, าเป็นคนโง่ก็เป็นทายของสุดเอดปัญหาทั้ ง, น, งนั้นมันกระบวนทางแต่นั้นแคะนั้นอาจะมาถึงว่าอายุผ่านเนี่ยควรมาภาวนาเี่ มในปัจจุ บ, บันนี้ที่สร้างคนงามความดีมาในอดีตก็อพอสมควรแล้วมาถึงปัจจุ บ, บันนี้อายุหกสิบเจ็ดสิบวันแล้วนี่นะนสร้างอะไรขึ้นมาอีกโดหลายอย่างมันมีความสงบทหารการเราสร้างมีตัวของเราอีกมันก็ลําบากนะอมไม่ลำบากมันลาบากพระพุทธเจ้ า, าของเราเหมือนกันเช่นนั้น การบำเป็ญนะพอสมควรเนี่ยท่านก็วางภาระท่านก็ปล่อยภาระวางอายุสังขารปงอายุสังขารหมายความว่าอยู่ให้สนุกหยิบทางนอกให้มันน้อยการสั่งสอนประชาชนต้องให้น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆมาสอนสะพ้องให้มากเป็นมเติมแม่ประชิน ม, มาโอวาทของท่านเมื่อท่านจะไปก็ต้องทำอย่างนั้นอันนี้เราบอเหมือนกันฉันนั้น แั่นั้นอย่างน้อยเต้องให้มีขินห้าประจะาเราไว้จนสมบัติของมนุษย์ในขิน้าท่นนี้พอแล้วมนุษย์นล้วในกองอะไรมันมากมายจะหาขินอย่างชื่อดังใกระ่งมันจะทำเป็นสมาชีวะมันจะร่จรนจะไรงไหนกระช่งมันเยอให้เป็นสมาชีวะถึงแม้รมันยังนยกนอยู่่งสมาชีวะอันนี้เหลักที่สาคัญ ม, มากที่สุดที่จะเชื่อเราได้ได อนนเพื่อได้ไหมเราเชื่อแต่พระเดีระดาเทนั้อออันนี้เป็นศีลธรรมอันนี้อันนี้เป็นกันเป็นกันของชีวิตพวกเราทางหลายที่ต้องอาศัยอันนี้เป็นอยู่ไหวพระสวดมนต์เชมัทานซึ่งพื้นห้าสกานเพื่อเป็นพ่อวัดปฏิบัติได้ถวายผ้าบางสกุล เพื่อเป็นศาธะพะประโยชน์ในวันนี้เสิดแล้วตอนนี้ไปเป็นโอกาสที่นัศาทุคนทั้งหลายที่มีศรัทธานะวันนี้จะได้รับโอวาทคำสั่งสอนขององค์ ส, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปนี้ที่จะนั้นจงประการตั้งใจให้ดี สั้งตให้ดีตั้งใจให้ดีเพื่อจะรับธรรมะครรมสอนขององค์สมด็จพสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์กันเตือนว่าวันคืน ม, มันเรื่องไปเรื่องไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่อันนี้เป็นธรรมสอนของพระพุทธเจ้าที่จับเตือน พวกชาพุทธทั้งหลายให้มีสติให้รีมูรีมตาขึ้นมาตู่ธรรมะแล้วก็ให้เห็นถึงทั้งหลายทั้งปวงรอบๆตัวและในตัวของตัวเละรอบๆจิตใจในจิตทั้งหลายว่าซึ่งมนุษย์เราทั้งหลายเกิดมาไม่ว่าภุมินเราอไรแม้แตังต่พระพิเศษสูง เป็นต้นไปถึงชาติะสการบางกลุ่มบางหน่วยเป็นต้นทุกอย่างเพื่อตั้งออกไปให้ความสุขเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนด้วยแก่อตอนด้วยนั่นเป็นต้นร่วมแก่พวกเราทางหลายแต่ไม่สิว่าวันคืนร่วงไ ฟ, ร, งไฟร่วงไฟบัดนี้เราทำอะไรอยู่ อันนีเป็นหลักเดือนให้รู้จักว่าเมื่อให้เราประมาทในการยืนในการเดนินในการนั่งในการนอนทุกประการจะมีรากจะมี g ố จะมีสันเป็นมิน่งาทุกประาการประากระารติขอแต่พวกเราทั้งหลายนั้นให้มีสติอยู่ว่า วันกับคืนที่เราเคยผ่านมาเนี่ทุกคนเคยเห็นมาเป็นเพ่มันนี่ลยขึน้นขึ้นมาอีกมีแต่ว่ามันร่วงไปร่วงไฟทนานั้นมันก็จากเราไปเราก็จากเขามาต่างคนต่างเดินไปคนละทางวันคืนมันก็เดินไปอย่างหนึ่งที่ยึดรัมันก็เดินไปอย่างหนึ่ง ต่างคนก็ต่างทางออกจากกันไปทุกวันทุกวันหมดวันหมดปีหมดเดือนมากเท่าไรที่ยึดเราทั้งหลายก็หมดไปแค่นั้นเหมือนกันแค่ว่าต่างคนต่างเดินออกจากคนได้ทางเต็มเต้มยึดแคนั้นเราพูดกับเจ้าท่านจึงให้สอนว่าให้ดูวันกละคืนที่เราผ่านมา น, นี้ ยี่เราคนมะี่จะมันล่วงไปล่วงไปท่านให้มองเห็นตัวเราว่าวันนี้เราทำอะไรอยู่เป็นเมื่อนนี่คอห้มองดูตัวเจ้าของเราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่ไหมเราทำอะไรอยู่มะเราคิดอะไรอยู่ไหมนี่มันถูกต้องไหมหรือมีความคิดโดยการใดนั้น ขอพวกเราชาวพุทธทางหลายเชื้อเนด้วยตนเองดูตนเองเรียน็นเองครูบาอาจารย์แนะนำสอนพวกเราทางหลานนั้นเพียงแต่ว่าชี้ทางให้เราดูเท่านั้นพระพุทธองค์ท่านสอนและท่านก็ตรัสว่าอัตตาโลตถาตาพระตถาคตเพีต่ครูบอกเทนั้น หทนี้ต่อนน้นไปอันนี้เป็นภาระของต่อพุทธเจ้าสอนภาระของพวกเรามีหน้าที่ที่จะต่อพุทธปฏิบัติตามหรือเบียดปนึงว่าพระพุทธองค์ท่านนำตัวเราทาั้งหลายมาสู่จุดเต้นทางนี้แล้วท่านก็บอกว่าท่านอยู่นี่นะนีทางไปที่ถูกต้อง อันนี้ทางมันผิดอันนี้ทางมันถูกต้นๆฉันบอกคุณฉันบอกนนท่านในแถวนี้หน้าชื่อของฉันมีแ่านี้เมื่อโมดภารานี่ฉันก็จะกลับบ้านฉันต่อ น, นี้ไปเป็นหน้าที่ของพวกเธอท่านทั้งหลายนั่นจะเดินไปจะเดินไปในทางไหนก็ได้แต่ว่าทางนี้มันผิดนะเดินไปโดยมันแดดร้อน ในทางนี้มันผูกคุณท่านทั้ทงหลายเดินไปมันมีความสงบมีความระงับหน้าที่ของเจา้าชายพุทธเท่านี้แล้ประขับไปต่อ น, นั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราเหล่าพุทธบริสัทธ์ทางหลายที่จะเดินไปในทางไหนทีปจะหยุดอยู่รือจะเดินต่อไปหรือจะเดินไปในาทางไหนนั้น เป็นหน้าที่ของชาวพุทธบริษัททั้งหลายที่จะดำเนินการต่อไปอันนี้เป็นของง่ายๆไม่ใช่เป็นของยากไม่ใช่แบบนันเป็นของลาําบากเมื่อเราทุกคนได้คันหนึ่งถึงวันเมื่อคืนมันร่วงไฟร่วงไปอยู่เสมออย่างนั้นเราทั้งหลายก็จะไม่มีความสรมาทผู้ที่ไม่มีความสามารถนั้น คือผู้ถึงพะพุทธเป็นผิวผึ่งถึงพระธรรมเป็นผี่พึ่งถึงพระสงฆ์เป็นผิวผึ้งดังนั้นดังนั้นวันนี้อ้ผู้การท่านจะมีเมตตาไอ้อภมัญญาสี่เมตตามี่สองอย่างเมตตาธรรมนิหารอย่างหนึ่งเมตตาอัภมัญญาอย่างหนึ่ง เมตตาสมัยหารนั้ตตานคือรักแต่ที่ของเรารักแต่น้องของเรารักแต่ญาติของเรารักแต่ตัวของเรายิ่งจะเป็นเมตตาเงินตาแต่ในเมตตานี้มันแท้มันแท้เต็มไปอันนี้เป็นเมตตาปสมัยหานไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่ง อยู่ห้างก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามจำเป็นพันส่วนให้มาวัดหนองปลาปงเพื่อมาฟังธรรมเพื่อมาถวายผ้าบรรจุภูณเพื่ออุทิศส่ว น, นุกุศลนนี้ให้ตนเองแะให้ญาติทั้งหลายที่ห่วงรับไปแล้วและทางสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นที่เป็นเพื่อนเกลียดเกลียดตายเรื่องต่างนั้นให้มีความสุขความสุขทุ ก, ท ก, ทกทตัวรตน นี้เป็นเมตตาอัปปมัญญาหาความสมา่มาเสมอได้เป็นสาธาระประโยชน์เมตตาอัปปมัญญานี้เป็นเมตตาที่สูงส่งเป็นเมตตาที่สูงสุดมากที่เุดยอดเพราะว่าความรักความใคร่ไม่เจาะตัวไม่เจาะตรงเพราะมีความเห็นอันสูงหยุดอันสูงเห็นสิ่งเห็นว่าสัต เนืมนุษย์ทั้งหลายนี้เป็นเพื่อนเพื่อนเกอดด้วยกันเพื่อนแก่ด้วยกันเพื่อนเกลื่อนเพื่กันทั้งนั้นเพื่อนตายด้วยกันทั้งนั้นนี่ฉะนั้นจึงเป็นญากที่จะคิดกันเมื่อผู้มีคำเมตตาอัปปัญญาแล้วแต่ไปพบคนที่ตรงไหนที่แก่กว่เราแต่ว่าเป็นพ่อเราเป็นแม่เรา เป็นตาเราเป็นยายเราเมื่อพบที่เสมอสม่ำเสมอกรตะโจนกันหน่ยเป็นลุงยืดเป็นหน้าอะไรทั้งหลายเหล่านี้เมื่อพบที่หย่อนกับเรานั้นก็เรียกว่าเป็นอา เ, นเป็นลูกเป็นหลานอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนี่ฉะนั้นความจริงนั้นก็เป็นอย่างนี้นะ อัปปมัญญาที่สูงสุดนี้เรียกว่าเมื่นตาสูงตรงทั้นั้นถ้าความคิดเช่นนั้นเรียกว่าเมื่อตาอสูงเพราะเรเห็นคนคนนั้นและคนคนนี้เหมือนกันถ้าคนคนนั้นกับคนคนนี้กับเรานี้ต่อเมื่อกันไม่มีแปลอะไรกันไหนเหมือนกันทั้งนั้นเนี่ยเป็นต้นเต็มจะพอวะจะพามาเจอวา รูปร่างคนเราทําไมมันก็ค่อยๆค่อยจะเนีนตันจิตใจบางอย่างทําไมมันจะค่อยๆเนีนตันอือย่างนี้เป็นต้นอันนั้นมันเป็นก็ตามจำเนนะื่องตามคำที่มันจาเหตุต่างกันในเงีนตันแล้วเราทุกคนควรจะเฉียดมีอัตามาสะเทือนเฉียดดนะใไปที่ประชุมคนบางอย่างนะคนสัหมีนสังแสนนะ แต่ว่าหน้าตาไมา่ใเหมือนกันเลยนะไปคนในลูกแล้วก็ไปคนในล่างแล้วก็ไปคนในอย่างนะแต่ยังพอดูได้ทุกคนทุกคนให้เหมือนกันจริงๆมันไม่มีเลยแสดงว่าไอ้ขนของกํามเนี่ยเป็นผู้ฉล า, าดมากเป็นผู้ฉล า, าดเฉลียวมากในการปรับปรุงหรือแต่งร่างกายในจิตใจมนุษย์ทั้งหลายให้ต่างกันมากทีเดียว ทิเนี่ยจิตใจมันต่ตางกันเป็นต้นก็เพราะกรรมบรรดาลที่เราได้สร้างไว้นั้นมันตกแต่งกรรมกรรมที่สร้างนั้นนะเป็นกรรมมรรตยังเป็นช่างดุจชุิตะดานกวัวในร่างุกวันนี้ด้วยเป็นต้นเนชื่โครงกระดูกในนี้ในตู้นี่ดูซิเราจะมองมองดูอัศจรรย์นะัศจรรย์โดยอกรรมมรรตเนี่ย ไอ้ช่างตกแตงเรียบร้อยทุกประการ น, นะเออแล้วก็แป่งร่างอะไรมาแล้วก็พูดได้ร้องเพลงก็ได้น้องให้ก็เป็นเลย้งหลารทั้อย่างนะแต่เราทํารูปร่างสวยได้พูด ไ, ได้เดิน ไ, ได้นะไม่พาจะเป็นอย่างนี้ยิ่งเรียกว่าคำนีมม้มันเป็นของที่สําคัญนะเรียกว่าคำมาทุกคำอะไรใด้ทุกประการเลทีเดียวนี่ อันนี้เป็นต้นยึดกรรมรมันุกแต่งมาใู้แตกกันไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นยึดชนนั้นที่พวกเราทางหลายนั่งอยู่ในกลุมนี้สมัอนตันเมื่อจิบการงานจิตใจรูปร่างเป็ น, น, ต, น, นต้นแต่ก็ไม่เหมือนกันแต่เหมือนกันในฐานะที่ว่าเรามีความเปิดมาเสนอกันแล้วจะมีความเจริญมานี่มันก็เสนอกัน ผล ท, ที่สุดมีความระรายไปจป็นย่องกลายนี้มันก็เหมือนกันทั้งนั้นอันนี้ลักษณะที่ต่ำทําให้เหมือนกันโดยปรกษาณอย่างนี้มีทั้งเหมือนกันด้วยมีทั้งแยกต่างกันด้วยฉะนั้นต่ำนี้จึงเป็นของจำพันพราะฉะนั้นบรรดาสาธาชนเาทั้งหลายนั้นจะยึคไปที่ไหนก็ไม่จบจะคิดไปที่ไหนก็ไม่พ้น ถ้าเราเนี่ยทำของเราตอนนี้มันจะหมดนะเป็นเพราะอันนั้นเป็นเพราะคนนี้ทำเราเป็นเพราะอันนี้ให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะอันนั้นใหนเรานอย่างนี้มุนไปมุนมาเอากวาจริงมันไม่ได้เลยฉัจะติดเลยนแล้จะทำเถอะแล้จะ ส, สบายไปนะแล้สบายไปด้ในสมัยนี้ทำนั่นก็เปลี่ย น, ปเปนเป็นดวงนะ คนสมัยใหม่นี้เวลไปตามดวงเอาแต่ดวงมันจะเต็มไปดวงมันเป็นยังไงมันก็ไปอย่างนั้นแล้วแต่ดวงไอ้ดวงนั่นก็คือกรรมนั่นเองหละเป็นภาษาธรรมะมันเลยเป็นกรรมแต่ไอ้ที่รรมมันในสมัยมันในทันสมัยสมมติว่าดวงมันเหมาะเจาะในเวลานี้กับคนสมัยนี้เราเดือดมา็นดวง่ความจริงๆก็กรรมนั่นเองะ แต่แล้วแต่ดวงมันไปตามดวงมันไมน่สบายนะถ้าเราคิดไปถึงชั้นล่างชั้นบนแล้วไปว่ามันเป็นไปเพราะตามแล้วแต่ํานี้ก็หมดเรื่องแล้วจนถึงขนาดสบายสุดที่เราจะพ้นสุดที่เราจะคิดสุดที่เราจะฝ่าฟืนอะไรท้งนั้นไอ้ดวงกระทำนี้เป็นต้นอันนี้มันเป็นคำสมมติท้งนั้นไอ้ะค่นั้นพวกเราทางลายนั้น ซึ่งจะทำกรรมก็จ ะ, จะทำบุญจะ แ, แบ่งหาบุญในวันนี้ก็คือสร้างกรรมเหมือนเก็คือสร้างกรรหรือสร้างดวงเหมนเดิมล่ะไม่ใช่อื่นไปละ่ะทำกรรมดีพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าดดีทำกรรมชั่วพระพุทธเจ้าก็เรียนชั่วอันนี้เป็นเรื่องที่มันตรงไปเป็นเรื่องที่มันตรงไปตรงมาอยู่เสมอแต่ว่าในเวลานี้ มีปรากฏตารณหลายอย่างหลายประการเป็นต้นซึ่งมันจะมีความเห็นแย้งขึ้นมาตรงนี้นี่มันปรากฏการณ์ขึ้นมาที่วันฝาฝืนจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายนั้นก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นขาดอันนี้เป็นต้นไม่ตรงไป ต, ตรงมาเพราะอะไรเพราะปัญญาเรามันน้อยไต่ท้ายกระไรที้ไม่ มีไหมขนาดมึงยาวประมาณนมตหนึ่งะแล้วก็เหยาะไม่รูนั่นรูนัมันยาวสองเมตรนะแล้วก็เหยาะเหยาะไปนะไม่ถึงเนี่มันสุดไม้ล้วก็เรีว่าไม้มันทั้นไม้มันทั้นแามตรนจริงๆรูมันยาวรูมันรึ่ไม่แา่มันทั้นถ้ารูนั้นมันตื้นไม้นัมันก็ยาว มันเต็มเขมย่นเจ้าว่าไม้เรามันตันจะได้เจ้าารู้มันดิ้กจะได้อย่างนั้นแล้วต้องคิดถอยไปถอยมาอย่างนี้เชื่อมงานในกลุ่มหนึ่งใจก็ค่อๆจะลูกมาเหมือนกันนะการทำจิตกับการงานต่างๆนั้นมันเหมือนคำสอนของพระพุทธเจ้าบางอย่างเึ่นว่าฉันนะทําดีก็ไม่ค่จะได้ดีเลยอย่างนี้เป็นต้นอือทาดี ทำดีแล้วไม่มีคนว่าดีไม่ควจะได้อันนั้นไม่ควรจะได้อันนี้ตามสมสาสนาของเราก็น้อยใจก็เริมาคิดว่าถ้าพวกพระองค์การตรัสว่ า, าทําดีไราดีเนื้อเราทําำไมเราทําดีเป็นโทษทำแล้วก็ไม่จะได้ไม่ควรก็จะให้อะไรนี่จะคนอิจฉานีน่จะคนพยายามี่แต่ทาดีไม่ได้ดี ทำพูดนี้กับพุทธเจ้าของเราพูดสิดไปแล้วถ้าอีกทำดีอยู่ทำไมไม่ดียังมีเป็นโทนไม่ใช่ไปสวดต่อพุทธเจ้าก็ได้เพราะพุทธเจ้าจะพูดผิดก็ผิดที่เราทำดีไม่ได้ดีูนี้แต่คนว่าให้เรายิดาเราก็ย่ำบาตเราอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือความผิดของเราถึงแม้ว่าเราทำดีอยู่ถูกต้องอยู่ใครจะว่าเราไม่ดีความดีของเราก็ยังมีอยู่ เราความชั่วอยู่ยเมื่อไรใครคิดว่าดีเป็นต้นในความชั่วเราไปยังมีอยู่อย่างนี้ไม่เป็นไปตามคนพูดอันนี้หลักอันนี้ไม่มีเสียหายแต่เราจิตใจของเราเป็นต้นไม่มีความรู้สึกถึงขนาดนั้นถ้าทาทําไม่ดีเขาก็ว่าดีกว่าดีใจอย่างนี้เป็นต้นทําดีอยู่เพรากว่าไม่ดีกว่เสียใจอย่างนี้เป็นต้นเพราะเราปัญญามัน น, น้อย ปัญญาในถึงปัญญาในทิ้งทิ้งมีความทุ่มทุก่มเสพนาในความจริจริงที่ไหลความดีนั้นออพวกเราเราท่านทั้งหลายคิดดีให้มากให้ดีทําดีนั้นมันดีเลยล่ละเมื่อเราจะทําดีคุดเฉยมันจะมีความดีแล้วเมื่อเราทาอยู่มันก็ดีอยู่เมื่อทําเสร็จแล้วมันก็ดีอยู่ ที่ว่าไม่ดีนั่นนี่ก็คนอื่นเขาอิจฉาพยาบาทบัตรคนนั้นคือคนไม่รู้จักดีนะถ้าคนไม่รู้จักดีมาท่วงก็มาไม่ดีนะแล้วก็เลยเป็นคนไม่ดีไปทั่วเลยไปเท่าข้างขาวเลยนะครแล้วก็เป็นคนไม่ดีคนนี้เวลาทําไม่ดีเสียอกเสียใจอย่างนี้งนั้นเราควรจะกันที่การทำมะไอ้ทำมาที่มันตรงไปตรงมาอันนี้มันถูกเพราะว่าผิ ก็จิตอยู่เจอไหวตอนปูกมันมันยังอยู่ไม่ไปที่ไหนเราทําจิดจริงๆแต่เราคนดีว่วลามันปูกอันนั้นก็ยังมีผิตอยู่นะมันไม่ปูกไปไกลตรงนั้นแหละอันนี้คือของเก่าอันนี้คือทำเก่าไม่ศูนไม่เสียไม่ไปที่ไหนอันนี้เป็นคําสอนพระพุทธเจ้าตรงไปตรงมาทําไมเมื่อเราตั้งใจทําดีวางใจจะไม่ไม่ไปดีทำเป็นเคราะห์ลาย อันนี้เราก็ควรหวนอธิษฐาหลายอย่างมีที่ว่านาเราดินนาเรามันดีหรือเกินเกิดผลในไปก็ดีนะนามันจะดีเป็นไ้ได้ดินมันดีเรือเกินกล้าเรามันไม่กคดีนะนาเรามัก็ไม่ดีได้นะนาเราก็ดีขล้าเราก็ดีดินนาเราก็ดีเกิดจากของที่เสียอย่างนี้เป็นต้นความดีก mm. ็เกิดขก้นไ่ได้ อย่างนี้เป็นเพื่นให้เราหวนระดึกในอย่างนั้นเป็นเ้นทีนี่เราสั้งใจดีเราเป็นคนดีเราทําดีเราจะต้องทํางานในกลุ่มของคนดีอย่างนี้ไม่นพ้นมันต้องดีทั้งนั้นอืมในเงื่อนไขว่าผมทาความดีไ ม, ยยไม่ค่อยจะไม่ใครจะไดีเลนะนนยอนาคนเราขึ้นน้อยใจเลยอาจจะมาตรวจสอบว่า คุณเคยทำงานนํากลุ่มคนดีหรือเปล่าถ้าคุณในทํางานนํากลุ่มของคนดีมีคินทำแล้วมันก็เดยดีขั้นนะอันนี้ถ้าคุณจะในทํางานในคนที่นี่ทีมมมมต่ตรงนี้ทสัตสิ่งจิตติจิตต้องจะเป็นไปตารสภาพของมันอย่างนั้นอย่างนี้นความดีมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าไปทำที่ไหนมันดีที่นั่นแต่ว่าจะดีที่นั่นเฉพาะทําท ทำชั่วใ่ตรงไหนมันก็ชั่วตรงนั้นทำดีอยู่ตรงไหนแต่ดีตรงนั้นแต่ดีนั้นมันเคลื่อนมาคนอื่นเห็นมันเคลื่อนจะมาในจิตใจของเราอัตโนโจทะยัตินังสะพุตเจออ้าสอนแต่เป็นเจียนตนด้วยตนเองเกไฟวนมาถ้าซึ่งคนดืนไม่ได้ก็พึ่งตัวเจ้าของแต่นั้นเป็นประมาณนี้เพราะว่าความดีเราเห็นอยู่ความชั่วเราเห็นอยู่ ในความผิดนี่เราก็เห็นอยู่ในความถูกที่เราก็เห็นของเราอยู่เช่นั้นเราเห้นตนท้องตนอยู่เสมออย่างนี้เป็นต้นเมื่ึ่งคนอื่นไม่ได้ก็กลับสมาพึ่งตัวเท่านั้นเองเป็นต้นคงชมเด็ดพระสมาสามพุทธเจ้ากันแต่เป็นผู้ในทักในการต่อไปนี้ธรรมะมันจะเรื่อนดอยอยู่ในก็จะเรื่อนดอยผู้ประพฤติปฏิบัติก็จะเรื่อนดอยไปเช่นนั้น หาเพื่อชุ่งชาอาศัยโดยยากแมอเราจะประพฤติทำมันดีท่านจึงบอกว่าให้ท่านเฉลิมหาไปเถิดท่านไปในสงนี้ถ้าทาไม่เป็นธรรมท่า น, า น, นติดไปทางโน้นหาสิ่งที่เป็นธรรมเถอดถ้าคิดใด้ก็ไม่มีทุดเหนือก็ไม่มีตะวันตกก็ไม่มีตะวันออกก็ไม่มีแล้วพ้อยท่านเดินไปเปองค์เดียวเถอะนี่พระพุทธเจ้ า, าตรัสสอนอย่างนั้น อ่าใช้ตนเป็นชื่อซุ้นของตนไปเหมือนกับกนาแล้วท่นว่าอย่างนั้นนี่กระบวนการงนั้นทีนี้ไอ้ความสามะกีพร้อมเพียงกันทั้งหมดนั้นในกลุ่มที่ดีนั้นมันดีอย่างนั้นนะแจะพูดถึงสุ่งชี่ในดีมันจะลําบากนะเหมือนอ่าเหมือนหมาป่ากับลูกแกะนะมันจะมาเคยเป็นนักเรียนเคยอ่านหนังสือเรื่องหมาป่ากับลูกแกะนะ หมาปานันไม่อยากจะกินลูกแกะมันไปหาว่าลูกแกะมาวนน้มันลูกแกะผมไม่ได้วนหาดควนวันนี้ผมไม่ได้วนวันนี้ผมไม่ได้วนมึงไม่ได้วนวันนี้เมื่อวานนี้มปวนวันนี้ผมจะไม่ได้วนครับ มึงมีควรพ่อมึงจะควนพ่อผมจะไม่ไปควรครับพ่อมึงมีควรปู่มึงก็ควรไอเรื่องของมันมันจะกินลูกแกลมเรื่องห ม, า, มาป่าเนาะอืมนะนมันหาเรื่องจะกินลูกแกนะทำอย่างงี้มันจะไม่ถูกก็อะไรนี่คือไปทางานก็ควรที่มีสื่อจัดดีขนาดนี้นมันก็ระว่าไมดีนะทำไมมันจะไปลูกลแกลมาหมาป่าหมาป่ามันกินลูกแกล ไม่ควรเพาว่าควรไม่ควรวันนี้มันก็ควรวานนี้วานนี้หาป่าจะยอมกระดาษผ้าบ้า e. นไควรนี่ไม่ควรพ่อมึงจะควรพ s. <S ่อผมก็ไม่ควรพ่อมึงไม่ควรโูมึงจะควนคือมันจะถึงดุจเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้เอาดีไม่ได้อย่างนี้ก็สูดยุติสายแล้วพระพุทธเจ้าเดี๋ยวทำดีก็ได้ดีนันมันยังตรงไปตรงมาอยู่ยังคงสอบคงวาอยู่เสมอ ไม่เสื่อมไม่เสียหายไปที่ไหนเลยอันนี้ควรี่จะราให้มัเอีครับไม่ว่าจะสื่อชนเราเลยซึ่งอยู่เป็นปกติสงบระบทีนี้ก็ต้องมีผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองผู้ความเป็นธรรมแก่เด็กพวกเด็กๆทั้งหลายเป น, นต้นก็มีความคารวมีความคารวะต่อครูบาอาจารย์อย่างนี้เป็นต้น ความปวดนอนมันจะเกิดมาจากที่ไหนไม่มีมาลักษณะมันเป็นธรรมอย่างนี้จะรองเรียกมันมาก็ไม่มาความปวดนอนถ้าความเป็นธรรมมีอยู่อย่างนี้แล้วเป็นต้นตลอดการตอดเวลายุค น, นั้นก็เหมือนกันถ้าสมมติมาแกงซักหม้อหนึ่งนะแกงหม้อนี่มันอร่อยทำไมใครเป็นคนทำใครเป็นเนื้อตัวเนื้อตัวชนล้างดีเนื้อตัวที่ไม่ชะล้างถามไป ก็แม่ต <D Hebrew> ัวน si, ั้นรู้จักสลาดเป็นผู้สลาดรู้จักจัดส่วนอาหารที่จะใส่ในแกงกลุกแกงนั้นอร่อยไม่ใช่แม่ตัวผู้ที่ในสลัดเป็นแม่ตัวที่สลัดอย่างนั้นเป็นต้นอาศัยสิ่งตัางายอาศัยสิ่งผสมต่างๆได้จัดส่วนแกงนั่นเพราะอะไรแกงที่มันอร่อยก็เพราะอะไรเพราะแม่ตัวสลาดจับสิ่งโน้นว่าจับสิ่งนี้ว่าผสมกันเท่ารู้จักประมาณแกงนั้นก็อร่อ ในารอร่อยนั่นก็เพราะคือความสามัคคีของมนุษย์เราในหลายคนมารวมเขกันเป็นต้นมีความสามัคคีเกิดขึ้นความสงบนั้นเป็นต้นหมมติรสพร้อมเสียงที่มันอร่อยนั่นเองมันจะยืนใจทั้งนั้นดังนั้นมันต้องอาศัยกันสงที่มันสามัคคีกันถูกจัดส่วนมันก็ต้องเกิดประโยชน์เกิดความสงบถึงแม้ว่าพวกเราท่านทั้งหลายนี้ จะเป็นประโกนสูงจะเป็นผูมีความรู้มากความรู้น้อยอะไรก็ตามเพคะถ้ามามีความสมามัคคีกันด้วยความคารมเป็นทําแล้วการ ง, งานอันนั้นมันจะเจริญขึ้นนะมไม่ใช่อยู่ตามฐานะของคนการทําท ด, ดีมันดีเหมือนกันทุกทุกคนไม่ใช่ว่ามันไม่ได้อันนี้เป็นต้นความดีนี่แหละมันเสมอกันทำความชั่วมันก็จะชั่วเสมอกัน ทำความดีนี่มันก็ไดีเสมอกันทั้งนั้นดังนั้นอย่าไปขึ้งจมกใจเลยให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้าใจว่าธรรมะข้อนี้ยังอยู่ธรรมะข้อนี้ยังมีเสียนนี่มันเป็นไปเพราะคนไม่เป็นไปเพราะธรมะเพราะเป็นคนไม่รู้จักการปฏริบัติเพราะเป็นคนไม่รู้จักการปฏิบัติเกิดชินมะเพราะราคะเพราะโทสะเพราะโมหะนี่เป็นมูลฐาน บำรุงสนับขนุนดวงจิตใจมนุษย์ให้เป็นไปต่างๆกันอย่างนั้นเป็นต้นวมมตความสัมมาชีจึงแตกเมื่อความสัมมาชีแตกเป็นต้นให้ควา ม, มาอาเด็ดอร่อยเป็นต้นมันพอวิ่งเข้ามาทันทีอนความเดือดร้อนต่างหลายพอวิ่งเข้ามาทันทีอความสงมบมันก็ออกไปมันจึงสายอย่างนั้นแต่ความจริงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเวลาที่มันจะเสื่อมถล่นไปที่ไหน ยึดแต่มาุนย์บุกคลเรามันเสื่อมจากธรรมะธรรมะมันยังคงที่อยู่ไม่ใช่ไปที่ไหนธรรมะนั่นคือมันเป็นกัรจะทำการจะทำนั่นคือมีส่วนที่ถูกต้องส่วนที่ไม่ถูกต้องมันป่าผลไม่ได้ธรรมะนี่เ็สิ่งที่ถูกต้องเช่นนั้นท่านจึงเอือกว่าจะว่าคาโตะปะกวาตาธรรมโอทำอันจะกผู้มีสภาตระหนักไม่ดีแล้ว เป็นต้นไอ้สิ่งที่พระองค์จะตัดไปมันดีอย่างนั้นไม่มีสิ่งที่ไม่ดีอย่างนั้นมันะมัยเสมอมาแต่จะต้นจนปลายเลยเป็นต้นไม่มีเรียกไม่มีกั้นไม่มียาวตลอดกาลตลอดเวลาอั่งนั้นแบงผลการกระทาให้มนุษย์จะทหลายเป็นต้นเออผิดในใจทุกๆคนอย่งนั้นนอกจากคนผู้เห็นกิดแล้วบางนั้นถึงแม้ว่าพวก ชาวฟุตดาวข้งางไหนจะทําการงานเหนือไหนอะไรก็ตามทีเถอะให้มันตรงไปตรงมาเฉพาะธรรมะอืมที่ว่าทำดีนั่นไม่ได้ดีมันเป็นเพื่อเฉพาะคนในความดีข้างในนั่นไม่ดีเช่นต้ น, นน้ำตาลต้นนี้เอาไปที่ปูดกันที่นี่นคนจักร้อยคนยังไม่หวานแบบ น, นี้คนนั้นก็ว่าไม่หวานคนนี้ก็ไม่ได้หวานอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ไม่ห้ามหวานน้ำตาลจะไม่ได้คนระับ ตากหวานอยงนั้นนะมันจะบเห็นผลแผลผลแบบมันเที่ยวตาเนี่ยก็มีเรี่ยวไอ้ความดีมันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นต้นไม่มีเรื่องผีเสียหายทางไหนแม้นนั่นบางคนก็เสียอกเสียใจนะมีทําดีก็ไม่ใส่ะได้ดีอะไรทางไหนเ่านี้มันเป็นเพราะเหมือนนิสัยเป็นต้นมันขาดจิตสำนึกมันไม่มีความเห็นชอบด้วยฉะนั้นพ่อแม่กับลูกเป็นต้นนะมันก็ยังแข่งแย่งกันเอง แต่ว่าแต่ไม่ขาดความเคารพไม่จะพูดไปถึงไห น, หนอาจจะมาก็เหมือนกันอาจจะมา ก, ก็ไม่ตอบก็ฟอกเขาไม่ยรับเพราะอาจจะมาสี่เขียดเมื่อโตขึ้นมาจะห่วงโซนชาติจทํ า, ทา ง, งานนู้นเหมือนจะทำงานนี่ไม่อยากจะไปสีเสียดอยากจะไปดูหนังอยาจะไปเริ่มตอนเย็นก็บอกตอนเช้าก็บอกมันก็ําพานไปสีเสียดยนี่ง้ไม่ตอบก็อกเขาไม่ยอมรัม นต้นตอนนันเด็กมันยังโงอยู่ในรูเรื่องจนต้น